ที่วัดป่าสุขโตนี่เราตื่นเช้ากันนะอย่างเช้าก็ตีสามครึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากทรมานตนอาจจะคิดต่อไปว่าโอ้ยคงไม่มีใครนะตื่นเช้าขณะนี้หรอกนะมีแต่พวกเราหรือพวกคนวัดแต่ที่จริงเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็นิยมตื่นเช้ากันมากขึ้นนะ มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามากอ่าก็ได้แก่พวกนักธุรกิจโดยเพราะระดับโลกเนี่ยแล้คนพวกนี้งานเยอะนะซี CEO ระดับโลกอย่าง Disney หรือว่า p e ปซ i Apple พวกเนี้ยเขาตื่นเช้ากันมากซีโอเบปซนี่ตื่นตีสนะี่ ดิสนีย์ก็ตื่นตีสี่ครึ่งของ a อ p เ e เนี่ยตีสี่กว่าก็ตื่นแล้วคนที่ตื่นสายเนี่ยที่เขาจะว่าตื่นสายเนี่ยคือซ e o ของทว i t เ e r รนี่บอกว่าตื่นตีห้าครึ่งเนี่ยอันนี้ถือว่าตื่นสายมากแล้วเนี่ยเขาตื่นเช้าไปทำไมนะตื่นเช้าเพื่อจะได้ออกกำลังกายเนี่ยอย่างตีห้าเนี่ยซ e อแอปเปลนี่ยก็ถึงลงยิมแล้ว ผู้นี้ให้ความสำคัญกับเรื่องการออกกาลังกายการบริหารกายมากเพราะเขารู้สึกว่าไอกงานที่เขาทำมันเป็นงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายต้องพร้อมร่างกายต้องแข็งแรงเพื่อที่จะไดะ้สามารถจะแบกรับภาระต่างๆที่หนักหนาได้แล้วเขากคิดว่าการอกลังกายมันก็มีส่วนช่วยทำให้ สมองแจ่มใสนะแต่พวกเรานี้เราตื่นเช้านะก็เพื่อการพัฒนาจิตใจมันก็เป็นการบริหารจิตใจอย่างหนึ่งนะเรื่องตั้งแต่การพยายามที่จะเคี่ยวเข็นตนเองให้ตื่ น, นตีสามตีสามครึ่งหรือบางคนอาจจะตื่นเช้ากันนั้นถ้าจิตใจอ่อนแอมันก็ตื่นยากนะต้องมีความเข้มแข็งบางครั้งก็ตื่นแล้วก็ อาจจะง่วงนะก็ต้องพยายามที่จะปลุกตัวให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ อ, อความง่วงงาเหานอนหรือความเกียจคร้านอันนี้มันก็ได้ไปแล้วนะได้ขันติธรรมนะได้วิริยะความเพียรแี้วมาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ต่อจิตใจหลายอย่างช่วงที่ยังเช้าอยู่เนี่ยยังไม่ทันสว่างเนี่ย ใจเราเนี่ยเปรียบได้กับแก้วนะแก้วน้ำที่ยังว่างเปล่านั้นเติมอะไรมันก็ได้เต็มไม่เต็มหน่วยเป็นช่วงเวลาที่เอือต่อการฟังธรรม เ, เวลาเราฟังธรรมในยามนี้เนี่ยใจก็ยังไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่ยังไม่ค่อยคิด อ่าตลดดเปิดเปิงเท่าไหร่นะมันก็เหมือนกับแก้วนะที่ยังว่างเปล่าแต่ถ้าใายกว่านี้หรือว่าสว่างเนี่ยนะใจเราก็จะเริ่มคิดนว่นคิดนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับแก้วที่เริ่มมีน้ําแล้วก็แานเป็นน้ําขุ่นๆด้วยการที่จะรับน้ําใหม่เนี่ยที่ใสเนี่ยก็รับได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนอกจากการฟังธรรมแล้วเนี่ยการ เจสติการทำสมาธิในยามนี้ก็ทำได้ดีนะเพราะว่าใจไม่ค่อยฟุ้งนั่นเองพระพุทธเจ้าตัสลูเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วงนี้แหละเขาเรียกว่ายามสามนะตั้งแต่ตีสองหนึ่งหกงโมงเช้านะอย่างที่เรารู้กันพระองค์ก็รู้ธรรมะเกิดยานขึ้นเป็นลำดับนะตั้งแต่ยามหนึ่งยามสอง สุดท้ายก็ยามสามนี่แหละนะก็รู้แจ้งในสัจธรรมแบบทลุปลุปโปรง่งอันนี้ก็ตัสรู้ในช่วงเวลาที่ผู้คนหลับไหลนะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ใจเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับธรรมะหรือว่ารับรู้เห็นแจ้งในสัจธรรมได้นี่เราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ ทำใจของเราให้ตื่นไปด้วยนะถึงแม้ว่าอาจจะมีความง่วงอันนี้มันก็เป็นความเคยชินเดิมๆเมืม่อวานนี้ก็ได้พูดไปนะว่าการเจริญสติเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆก็คือนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเอามาใช้พิจารณาตัวเราเองได้ว่าเออไอการ การทำของเราหรือกิจวัตรของเราเนี่ยมันเอื้อต่อการเจริญสติหรือเปล่าเวลาพวดเจริญสติหลายคนก็รูว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากยิ่งหมอพอมาพูดถึงการปฏิบัติเข้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรบางคนก็เข้าใจว่ามันได้แก่การยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือหลับตาตามลมหายใจเท่านั้นอันนั้นยังแคบไปนะทําแล้วก็ตามเนี่ยนะ หรือไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเรากาลังเจริญสติอยู่หรือเรากลังทำความรู้สึกตัวอยู่เพราะถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้คนส่วนใหญ่คือว่าไม่มีสติไม่มีสติคือว่าใจลอยหรือว่าลืมตัวไอ้ที่ลืมตัวเพราะอะไรเพราะใจมันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจมันไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวใจใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยกายทําอะไรใจก็รับรู้นั่งอยู่ก็รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่เดินก็รู้ว่าตัวเองเดินนะล้างหน้าแปรงฟันก็รู้ว่าตัวเองล้างหน้าแปรงฟันหรือว่ากินข้าวก็รู้ว่าตัวเองกินข้าวอันนี้ก็เรียกว่ามันมีสตินะแม้แต่เวลาอ่านหนังสือเออใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนนะใจก็ไม่ได้ลอยไปที่อื่นก็ ทำงานคือรับรู้กับการอ่านอันนี้ก็เรียกว่าอ่านยังมีสติได้หรือแม้แต่เวลาพูดคุยกับใครเราพูดคุยยังมีสติได้นะถ้าว่าใจเราไม่ลอยไม่ใช่พูดกับเพื่อนร่วมงานหรือคุยกับคนในครอบครัวนะแต่ใจลอยไปไหนเนี่ยอาจจะคิดถึงเรื่องงานอาจจะกําลังวางแผนอยู่อาจจะห่วงกังวลนะโน่ น, นนี่เนี่ยอันนั้นก็เรียกว่า ไม่มีสติแล้วไอ้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยนะมันก็พูดอีกอย่างนะึงคือว่าเวลาทําแล้วก็ตามก็ทําทีละอย่างอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อวานนะมันเป็นวิธีการเจริญสติแบบง่ายๆก็คือว่า ท, ทําทีละอย่างเป็นการสร้างนิสัยนะที่จะเอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพจิตปัญหาขผู้คนส่วนใหญ่คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําทีละอย่างทํำหลายอย่างพร้อมๆกัน ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการบัณฑ์ทสุขภาพจิตคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาอะไรก็ตามที่บันทอนสุขภาพจิตเขาก็ไม่ทำํำนะและสิ่งที่บันทอนสุขภาพจิตอย่าง น, นื้อก็คือว่าทํำหลายอย่างพร้อมกันทําหลายอย่างพร้อมกันนี่ก็มีทั้งทํำด้วยความตั้งใจกับทําโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นกินข้าวก็อ่า เล่นเฟซบุ o กนะขณที่กินข้าวก็เปิดดูลายนะหรือว่าเช็คข่าวสารข้อมูลนะเดี๋ยวนี้เป็นเงินเยอะนะหลายบ้านนก็ออกกฎนะไม่ให้คนในบ้านเช่นลูกๆเนี่ยนะเอาโทรศัพท์มือถือนะติดมาด้วยขณะที่กินข้าวพอไม่งั้นเนี่ยอดไม่ได้ที่จะชำเลืองดนะูโทรศัพท์ดูหน้าจอเสร็จแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเขียนข้อความส่งเมสเซจ หรือแม้แต่เช็คข่าวเนี่ยอันนี้เรียกว่าทำสองอย่างพร้อมกันบางคนก็ระหว่างที่อาบน้ำไปด้วยก็นึกวางแผนไม่ว่าจะเป็นวางแผนการทำงานในตอนเช้าหรือว่าเตรียมเมนูอาหารที่จะทำให้กับลูกเนี่ยอันนี้ก็ทำสองอย่างบางคนก็ทำสามอย่างกินข้าวไปด้วยดูโทรทัศน์ไปด้วยแล้วก็ คุยกับลูกสนทนากับเพื่อนไปด้วยหรือว่าพูดคุยเรื่องธุรกิจนะอันนี้เราว่าทำหลายอย่างโดยตั้งใจนะทำหลายอย่างโดยไม่ตั้งใจก็เช่นว่ากินข้าวก็ใจก็ลอยไปโน่นลอยไปนีนะ่หรือไม่ก็ทำงานนะใจก็นึกห่วงลูกนะหรือก็ไม่หรือไม่ก็วางแผนไปเที่ยวมันเผลอแบบไปเองนะใจลอย และเป็นอย่างนี้กันเยอะนะอะมีคนเขาทำวิจัยพบว่าเจ็ดชั่วโมงครึ่งหรือแปดชั่วโมงที่ทํางานเนี่ยคนเราทํางานจริงอ่ะยี่สิบปอร์ซ็่นั้นแหละก็คือประมาณชั่วโมงกว่าที่เหลือไม่รู้ใจลอยไปไหนนะอันนี้ก็เรียกว่าทํำหลายอย่างพร้อมกันนะแต่ว่ามันเป็นการทํำหลายอย่างโดยไม่ตั้งใจซึ่ง เกิดขึ้นบ่อยมากและที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันกลายเป็นนิสัยไปแล้วถามว่านิสัยเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรนะก็มาจากการที่ตั้งใจทำหลายอย่างพร้อมกันการทำหลายอย่างพร้อมกันด้วยความตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นการสะสมพอกผูนนิสัยที่ส่งเสริมให้ใจลอยแล้วไม่ให้ใจลอยเปล่านะบางทีมันก็ทำความทุกข์ให้กับตนเอง เช่นคนที่ทํางานทําไปบ่นไปเนี่ยไอ้ทาไปบ่นไปเนี่ยคือทํำหลายอย่างพร้อมกันนะส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบอะนะทําไปบ่นไปแต่มันอดไม่ได้นะทําไปก็บ่นเพื่อนบ้างละ่ะหรือทําไปก็กลุ่มไปจะกลุ่มก็เพราะามันคิดถึงเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จอีกต้องหลายอย่างทํางานเช้าก็คิดถึงงานบ่ายหรืองานวันรุ่งขึ้นหรืองานที่ จะต้องทําเดือนหน้าอันนี้เรียกว่าทํำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันก็ลามาสู่การปฏิบัติพอเราตั้งใจจะเจริญสติก็จะพบว่าเวลาเจริญสติสร้างจังหวะเนี่ยนะมือยกไปนะแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใจมันคิดเรื่องนะั้นเรื่องนี้นะอันนี้เรียกว่าทํำหลายอย่างเหมือนกันนะเวลาฟังธรรมอ่ะใจก็ลอยละไปโน่นไปนี่ แต่แล้วก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าผู้บรรยยก็ญญพูดอะไรแต่มันไม่ใช่ไปเรื่องอื่ น, นทังทีก็ไปในเรื่องที่ทำให้ตัวเองทุกข์เกิดความวิตกกังวลเกิดความขุ่นเคืองใจหนักอกหนักใจหรือเกิดความเศร้าเกิดความเสียใจอะไรอวรก็พอทำหลายอย่างพร้อมกันนี้แหละนะทาไปบ่นไปทำไปก็หนักอกหนักใจไปบางคนก็ อาจจะแย้งขึ้นมาว่าในเมื่อทําไปบ่นไปเนี่ยมันทําหลายอย่างพร้อมกันไม่ดีก็ทําอย่างเดียวเสียเหลือคือว่านั่งบ่นอย่างเดียวเลยนะหรือว่านั่งกลุ่มอย่างเดียวเลยเนี่ยอย่างนี้ดีไหมก็มันก็ไม่ตรงกับหลักการเจริญสตินะเพราะการเจริญสติมันมีหลักอีย่างนึงก็ว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้นั่งบ่นเนี่นะหรือว่านั่งกลุ่มเนี่ยมันก็คือทําอย่างเดียวนะแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราบ่นสิ่งที่เรากลุ่มเนี่ยนะ มันก็คือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะไอสิ่งที่เราสิ่งที่เราควรจะใส่ใจมา ก, กคือปัจจุบันนะปัจจุบันในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะหรือว่าสิ่งที่เราควรจะทำนะนะเาบอกปัจจุบันในพุทธศาสนาเนี่ยนะหมายถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่เฉพาะหน้าขณะ น, นี้หรือว่าสิ่งที่ควรทำเช่นคนที่เอาแต่เที่ยวเล่นนะ นักเรียนเอาแต่เที่ยวเล่นสนุกสนานแต่ไม่ทําการบ้านเนี่ยนนี่รวาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะสิ่งที่ควรทําหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเอาแต่สนุกสนานนะเสพสุขแต่ว่าไม่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทําท่านก็ถือว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันการเจริญรนสติเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะทําให้ตระหนักว่า ไอสิ่งที่ควรทําเนี่ยถ้าเราไม่รีบทำวันนี้มันน่าอาจจะไม่มีโอกาสเพราะาอา จ, จะตายซะก่อนถ้าเราไม่ตายไอคนที่เราควรจะใส่ใจก็อาจจะตายก่อนเราเนี่ยเช่นพ่อแม่หรือแม้แต่คนรักลูกหลานนั้นการจเจริญมรมรมสติเนี่ยเป็นการกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยทันมาทําสิ่งที่ควรทําอันนั่นแหละก็ทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วมันง่ายนะ ท, ทําทีไะอย่างเนี่ยมันง่ายกว่าทํา หลายอย่างพร้อมกันแต่คนเราเนี่มักจะชอบทําสิ่งที่มันยาก เ, ยเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทำทีละอย่างมันเป็นของที่น่าจะง่ายแต่เราเลือกทําสิ่งที่ยากทำหลายอย่างพร้อมกันเสร็จล่วก็เป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตงานก็ไม่สําเร็จงานไม่ดีจิตใจก็ย่ํมแย่ทีแรกก็ตั้งใจทำหลายอย่างพอทาไปทาไปมันกลายเป็นนิสัย นิสัยอะไรนิสัยฟุ้งซ่านนิสัยใจลอยนิสัยคิดและคิดน้อยจะทําอะไรใจก็ไปกังวลถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้การทาเฉลยอย่างเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ง่ายนะเมื่อเที่บกับการทํำหลายอย่างการอยู่กับปัจจุบันก็เหมือนกันนะมันหมายความว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําวางอย่างอื่นลงไปก่อนเราคนส่วนใหญ่เนี่ย มีความทุกข์มีความเครียดเพราะว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะตัวเนี่ยนะกําลังทํางานข้างหน้ากำลังทํางานที่อยู่ข้างหน้าแต่ที่ใจก็ลอยแล้วนึกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีไปนึกถึงจุดหมายนะไปนึกถึงผลสําเร็จแล้วอันนั้นเรียกว่าเป็นอนาคตนะจริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องทําไม่ต้องคิดอะไรมากนะวางไอ้จุดหมายข้างหน้านะวางผลสําเร็จ ที่คาดหวังเอาไว้ก่อนอย่างเช่นเวลาเดินทางเนี่ยนะเราจะงดยิดน้อยลงถ้าเรานะไม่ต้องไปสนใจจุดหมายปลายทางคนเครียดเพราะว่าเวลารถติดแล้วเนี่ยเกิดความกังวลขึ้นมาใจามันไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วว่ากลัวว่าจะไปช้ากลัวว่าจะผิดนัดกลัวว่าจะถึงที่ทา ง, งานสายกลัวว่าจะตกเครื่องบิน เราก็เลยหงุดหงิดไงเวลารถติดเนะี่ยจิตเราก็เลยตกนะถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเออตัวอยู่ในรถใจแล้วก็อยู่ในรถนะอาจจะตามลมหายใจไปนะหรือแม้กว่าจะอาจจะฟังเพลงฟังเทปธรรมะนะที่อยู่ในรถมันก็ไม่มีความกังวลเพราะกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยทําให้เราถึงที่หมายเร็วขึ้นแล้วก็ยิ่งทําให้เรามีความทุกข์มากขึ้นด้วย แล้วกว่าซ้ําเติมตัวเองเสียเวลาแล้วเนี่ยทําไมต้องเสียอารมณ์ด้วยนะทำไมต้องเสียความสุขด้วยนะเสียก็ให้เสียอย่างเดียวคือเสียเวลานะแต่ว่าใจก็ยังผ่องใสใจก็ยังเป็นปกติอาจจะใช้โอกาสนี้คุยกับคนในรถก็ได้นะใช้เวลานี้คุยกับลูกนะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีเวลาคุยกับลูกก็ใช้เวลาช่วงรถติดนี่แหละคุยกับลูกนะได้ประโยชน์นะไม่ใช่ เสียเวลาแล้วก็ยังเสียอารมณ์บางทีทำให้บรรยากาศในรถนะซึ่งมีลูกมีคนรักอยู่เนี่ยมันกลายเป็นบรรยากาศที่เหมือนตึงเพราะคนขับรถคือพ่อนี่เครียดนะหุดหงิดนะทำงานก็เหมือนกันนะถ้าใจอยู่กับปัจจุบันวางอะไรต่ออะไรลงไปซะมันก็ทางานได้ดีมันมีนักปีงขาคนนึงนะชื่อบรูซเคิร์กบีเนี่ยเป็น นักปีนเขาที่ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วทุกทวีปรวมทั้งเอเชียซึ่งก็ได้แก่เอเวอเรสต์เนี่ยเอเวอเรสต์นี่สูงมากเขาก็เคยพิชิตมันแล้วเขาก็ใช้เวลาสิบปีนะักกว่าเขาจะสรุปได้ว่าวิธีการปีนเขาที่ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือลืมจุดหมายอย่าไปสนใจ ย, ยอดเขาที่จะไปให้ถึงนะสนใจแต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้า แล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดนะแล้วก็ถูกทางนะไปถึงแน่แต่ก่อนนั้นเขาไม่รู้เนี่ยเวลาเขาจะปีนเขาเนี่ยเขาจะมองไปที่ยอดเขาแล้วเกิดตะไลตามมาเกิดความหนักใจโอ้โหอีกต้องเป็นเดือนกว่าจะถึงบางทีก็เกิดความกลัวเขาบันชันนะอันตรายไม่ทันจะปีนเลยเนี่ยใจมันก็หนักแล้วนะแต่เขาบอกว่า มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นง่ายมากคือว่าจะไปสนใจจุดหมายหรือยอดเขานะใส่ใจกับพื้นในใต้ฝา่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวอีกคนหนึ่งเป็นนักเป็นนักกยกรรมนะ น, นักไต่เชือกเมื่อสักห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ตึก World Trade c ซ n t เ r เพิ่งสร้างเนี่ยเขามีความฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเดิน บนเชือกที่ขึงระหว่างยอดตึกแฝดสองตึกเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบนะไตรลวดนะ ต, ตึกสูงไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยในประเทศของเขาคือฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ว่ามันไม่มีตึกไหนที่มันสูงเท่ากับ World t r a d ซ c e ต t e r ตึกแฝดนะสี400่ร้อยเมตรอันพอเริ่มพอเริ่มที่จะสร้างพอพอสร้างใกล้เสร็จแล้วเขาก็ลักลอบนะเข้าไปในตึกกับเพื่อน แล้วก็พอไปถึงยอดตึกเขาก็ขึงเชือกที่จึเป็นลวดมากกว่านะขึงจนตึงเลยตอนเช้าตรู่แล้วเขาก็เริ่มเดินไม่มีอะไรนอกจากไม้นะที่ไม้ยาวๆที่ถือไว้เพื่อเป็นเป็นการสร้างสมดุลเดินไม่ได้สักพักเนี่ยคนที่อยู่ข้างล่างก็เห็นนายฟิลิปเนี่ยฟิลิปเปร์ตีเนี่ยอยู่บนอยู่บนลวด เขก็ไปเรียกตำรวจมาไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยมาขึ้นมาบนตึกเพื่อจะจับเขาแต่เขาก็ไม่สนใจนะเขาก็เดินจากยอดตึกหนึ่งไปอีกยอดตึกหนึ่งห่างกันประมาณสักสองร้อยเมตรได้เสร็จแล้วก็เดินกลับมาอีกนะเดินกลับตรงมาที่ตำรวจตำรวจก็จะคว้าตัวเขาเมื่อเขาถึงยอดตึกเขาก็หันกลับนะแล้วก็เดินต่อเขาเดินกลับไปประมา่ประมาณเจ็เที่ยว ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีจนกระทั่งหนาใจแล้วเขาก็เลยลงมาให้ตำรวจจับ ก, ก็เป็นข่าวใหญ่นะคนมาสัมภาษณ์นักขามมาสัมภาษณ์ทำได้ยังไงเขาบอกก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรมากเวลาอยู่บนเวลาอยู่บนลวดเนี่ยเขาคิดแต่ว่าให้ขะให้เท้าขวานเนี่ยมันมาอยู่หน้าเท้าซ้ายแล้วหลังจากนั้นก็ให้เท้าซ้ายขึ้นมาอยู่หน้าเท้าขวาแค่นี้นะ วิธีการปีนวิธีการเดินไต่รวดของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมองไปที่จุดหมายข้างหน้าเขาไม่ได้เป็นมองที่ยอดตึกเขาสนใจแต่เท้าที่แต่ละข้างแต่ละข้างก็คล้ายกับเทคนิคของบรูซเคิร์กบี้นะก็คือว่าสนใจแต่ก้าวแต่ละก้าวเท่านั้นเองงานที่ยากเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะปีนเขาหรือว่าเดินไต่ลวดระหว่าง ยอดตึกแฝดสองตึกเนี่ยนะมันเป็นงานยากน่ากลัวก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ทำให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการสนใจแต่ก้าวแต่ละก้าวนะหรือว่าเท้าแต่ละข้างแคนั่นเองอันนี้มันก็เป็นเคล็ดลับในการทำงานนะเวลาทำงานเนี่ยอย่าไปสนใจจุดหมายปลายทางนะทำให้มันง่ายกว่านั้นนะสนใจแต่ ง, งานที่เรากาลังทาอยู่แล้วทำให้มันดีที่สุดใจเต็มร้อยเลยนะ อย่าปล่อยให้ใจเรามันแบ่งภาคเป็นสองส่วนใจนึงก็อยู่กับงานอีกใจหนึ่งก็ไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางนะเมื่อใจไม่เต็มร้อยไม่มีสมาธิเนี่ยนะมันก็ความสามารถที่จะออกมามันก็ออกมาได้ไม่เต็มที่นะแล้วแมเกิดความกังวลด้วยเพราะพอรูึกถึงจุดหมายเนี่ยมันก็จะคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะถึงบงทีก็กลัวนะกลัวว่าถ้า ง, งานออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะ เจ้านานเขาจะว่าอย่างไรนะเพื่อนจะพูดถึงงานของเราอย่างไรพูดถึงเราอย่างไรเนี่ยเกิดความกลัวเกิดความวิตกขึ้นมาอันนี้เราทำสองอย่างนะทำสองอย่างพร้อมกันซึ่งความหมายนั่คือาใจไม่อยู่กับปัจจุบันเรามักจะทำของยากนะทั้งทั้งที่ทำมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะแต่เราก็ทำให้มันกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น ให้การเจริญสติก็เหมือนกันนะการเจริญสตินอย่างที่บอกไว้แล้วว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นใจทำหน้าที่อะไรจาหน้าที่เพียงแค่รู้ว่ากายกำลังทำอะไรใจไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่า น, นั้นนะเรียกว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆการเจริญสติเนี่ยมันมะีหลักเลยว่ารู้ซื่อๆใจไม่ต้องทำอะไรเลยนะใจแค่รู้ว่ากายทำอะไร เช่นว่ายกมือสร้างจังหวะใจก็รับรู้ว่ามือกำลังยกใจไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นนะระหว่างที่ยกมือใจก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าอัตมากำลังบรรยายอะไรไม่ต้องสนใจเลยไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจกับเสียงหรือว่าสนใจคาบรรยายละหวงที่ยกมื อ, อใจก็รู้ว่ากายกลาลังยกหรือรู้สึกว่ากายกลาลังเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ว่าขณะที่ ใจมารู้กายก็แบ่งภาคมาฟังคําบรรยายด้วยอันนี้เราทำสองอย่างพร้อมกันมันไม่ถูกนะถ้าจะยกมือสร้างจังหวะก็ให้ใจก็รับรู้ว่ากายกําลังยกอย่าไปสนใจคําบรรยายฟังผ่านๆถ้าจะสนใจคําบรรยายก็ก็ให้ใจนะมาอยู่อาการฟังไม่ต้องยกมือไม่ต้องให้ใจไปรับรู้กายว่ากําลังทําอะไร ทำทีละอย่างนะมั น, นจะเป็นการสร้างทิใสัยของการเจริญสติแล้วขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกนะคือว่าถ้าหากกายทำอะไรใจก็ทำหน้าที่แค่รู้เฉยๆนะรู้กายนะว่ากาลังยกหรือว่าบางทีก็รู้ใจว่ามันกำลังเผลอคิดไปหรือเปล่าแค่รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่า น, นั้นถามว่าง่ายไหมมันง่ายแต่ส่วนใหญ่าละมักจะชอบทําสิ่งที่ยากคือว่ามันไม่ยอมแค่รู้เฉยๆนะ มันจะเข้าไปทำโน่นทำนี่ไปจัดการโน่นจัดการนี่เช่นพอเห็นใจฟุง้งซ่านก็ไปพยายามกดขม่มไปห้ามจิตไม่ให้คิดพอมีความโกรธเกิดขึ้นก็ไปพยายามต่อสู้ขัดขวางควา ม, วามไอความโกรธนั้นพยายามกดข่มมันนะหรือไม่พอมีเสียงดังเสียงดังมากระทบหูก็สักตะวารู้แต่ใจมันไม่ชอบอยู่เฉยเฉยมันจะเข้าไปโลมรันพันตูกับเสียงนั้นนะทำไมถึงดังว่าทําไม ไม่ปิดโทรศัพท์อ่ามันบน่นวอยวายอันนี้มันยุ่งยากเนี่ยแค่รู้เฉยเฉยเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรมากกว่าไปกันานาั้นใจเนี่ยแค่รู้เฉยเฉยเหมือนกับเรานั่งอยู่บนบนฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะเรก็ดูกระแสน้ำที่ไหลให้การดูกระแสน้ำที่ไหลเนี่ยมันยากที่ไหนเนี่ยมันไม่เหนื่อยเลยนะดูกระแสน้ำไหลบางที มันจะมีบางอย่างที่ไหลไปตามกระแสน้ําเราก็แค่ดูเฉยเฉยมันจะเป็นเรือสําราญ น, นะก็ดูไปเฉยเฉยไม่ต้องโดดลงไปไม่ต้องโดดลงน้ําเพื่อที่จะาหวคือเรือสํารานมันจะมีกอสวะกอผักตบลอยลงมาก็ดูเฉยเฉยไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยไปเอาไม้ไปค้าไปถ่อให้มันฮะไปไกลๆมีหมาเน่าลอยน้ําก็กแค่ดูเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรกับหมาเน่าลอยน้ํานั้นถามว่าอย่างงี้ง่ายกว่าไหม ง่ายกว่าเยอะเลยสบายด้วยแต่ว่าใจเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจะมันอยู่เฉยไม่ได้มันจะต้องทำโน่นทำนี่นะเวลาเจริญสติก็เหมือนกันนะใจก็อยู่เฉยไม่ได้จะทำโน่นทำนี่นะจะไปบังคับจิตให้สงบนะจะไปบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่เท้าบ้างล่ะนะหรือแม่ก็ไปจะไปอ่ ไปต่อสู้เล่นงานความโกรธความฟุ้งซ่านที่มันโผล่ขึ้นมาในใจไม่ต้องทาอะไรหลอกใจอ่ะแค่รู้เฉยๆนะทาไมเราทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องทําไมทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะหรือไม่ไม่เลือกทําสิ่งที่ง่ายท้าน้องที่สิ่งที่ง่ายมันดีกว่าสังเกตนะใจเรามันไม่ค่อยอยู่เฉยมันจะขวนขวายทําโน่นทนํานี่นะแล้วก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาเลย เวลาทํางานก็เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะเวลาปฏิบัติธรรมหรือเจรินสติเวลาทํางานใจก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆยิ่งเป็นการใช้แรงงานทางกายแล้วโอ้ยใจไม่ต้องทําอะไรเลยใจแค่แค่รู้ว่ากายทําอะไรอย่างที่เล่าตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยชุนเรียวสุสกิเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นอาจารย์เซนสร้างวัดมีลูกศิษย์มาช่วยเป็นชาวอเมริกันหนุ่มๆทั้งนั้นสาวๆก็เยอะแล้วก็ตัวก็ใหญ่กว่า ขนอิฐขนไม้ลูกศิษย์ทําไปครึ่งวันเหนื่อยอาจารย์ยังทําต่อไปทั้งวันนะทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นลูกศิษย์ก็แปลกใจอาจารย์ทําได้ไงตัวก็เล็ก อ, อายุก็มากหกสิบกว่าแล้วถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทําได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยลูกศิษย์ก็งงนะพักอะไรก็เห็นทํางานทั้งวันไอ้ที่ทํางานคือกายมันทํางานแต่ใจมันพัก ใจมันแค่รู้ว่ากายทำอะไรแค่นั้นก็พอใจทำหน้าที่รู้นะใจไม่ได้แบกอิดไปด้วยนะกายแบกอิจ it, แต่ใจแค่รู้ว่ากายมันแบกอิจแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ทำอย่างนั้นนะกายแบกอิจ it, นะแบกหินใจมันก็แบกเอาความคาดหวังหรือใจมันก็คอยแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จมันก็เลยเรียกว่าแบกเอาความหนักอกหนักใจไปด้วย นะนี่ว่าเรียกว่าทำสองอย่างนะนะทำสองอย่างนะทําไปก็โบนไปทําไปก็กุ้มไปขนหินไปก็กุ้มว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะเราไม่ชอบนะอใจที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นเพราะเราสะสมนิสัยแบบนี้เอาไว้จากการที่ทํำหลายอย่างพร้อมกันนะหรือว่าทําอะไรไปใจก็ลอยถึงเวลาเนี่ยมันไม่ได้ลอยไปไหนมันก็ลอยไปหาทุกข์นะ ใจที่ฝึกเอาไว้แบบเนี้ใจที่สะสมนิสัยแบบเนี้ถึงเวลาเนี่ยทำไหลใจมันก็ไปคว้าเอาทุกข์มาใส่ตัวนะเรียกว่าทำไหลอย่างพร้อมกันนี่เรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะนี่เรียกว่าใจเนี่ยไม่ยอมรู้เฉยเฉยนะถ้ารู้เฉยเฉยแล้วเนี่ยมันเหนื่อยแต่กายนะใจไม่เหนื่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเหนื่อยทั้งกายหนือทั้งใจและส่วนใหญ่เหนื่อยใจเนี่ยมันแย่กว่ามันหนักกว่าเหนื่อยกายสิ เวลาเดินเที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยนะไปเที่ยวเที่ยวห้างหรือว่าเที่ยวสวนเที่ยวป่าเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะแต่พอเดินตรงกลมแค่ยี่สิบนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงโอ้ยเหนื่อยมันไม่ใช่อะไรเลยนะมันกายไม่เหนื่อยหรอกแต่ใจมันเหนื่อยนะใจมันเหนื่อยเพราะใจมันไม่ได้แค่รู้เฉยๆใจมันบ่นไปด้วยนะหรือใจมันก็พยายามไปควบคุมบงการต่างๆ งั้นถ้าเราเนี่ยถ้าเราจัดการใจให้ดีนะเพียงแค่สอนให้เขารู้จักรู้ซื่อๆนะหรือว่ารู้เฉยๆหรือว่าเวลาทําอะไรก็ ท, ทําที่ก็ทําแค่อย่างเดียวทําทีละอย่างเวลาเดินจงกรมก็ให้เท้ามันเดินให้กายมันเดินใจไม่ต้องทําอะไรใจแค่รู้หรือใจแค่อยู่กับกายเนี่ยมันไม่เหนื่อยหรอกแต่พอทําหลายอย่างนะพร้อมกันหรือว่าใจไม่สักแต่ว่ารู้เฉยๆเนี่ยมันจึงเหนื่อย จริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันง่ายนะแต่ว่าเราไม่ชอบทำสิ่งที่ง่ายเราชอบทำสิ่งที่ยากนะฉันตั้งหลักให้ดีนะกลับมาทำสิ่งที่ง่ายซะแล้วมันก็จะเกิดผลดีด้วยอา้าวชาเนี่ยกวรทนน้นนะอา้าวรับ